เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายใครเล่าออกปากขอเนื้อกับอุบาสิกาสุ ป, ปิยาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ ภิกษุรูปนั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ออกปากขอเนื้อกับอุบาสิกาสุ ป, ปิยาพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเขานํามาถวายแล้วหรือภิกษุกราบทูลว่านํามาถวายพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอฉันแล้วหรือ ภิกษุกราบทูลว่าข้าพระองค์ฉันแล้วพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอพิจารณาแล้วหรือภิกษุกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้พิจารณาพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาหนิว่าโมคะบุรุษ ฉไหนเธ อ, อยังไม่ได้พิจารณาเลยจึงฉันเนื้อเล่าเธอฉันเนื้อมนุษย์แล้วโมฆะบุรุษการกระทาของเธอมิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตาหนิแล้วแสดงธรรมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายผู้มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู่คนแม้เหล่านั้นได้สละเนื้อของตนถวายภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์รูปใดฉันต้องอาบัติทุลจใจอันหนึ่งภิกษุยังไม่ได้พิจรารณาไม่พึงฉันเนื้อรูปใดฉัน ต้องอาบัตทุกกฏ